นี้ต่อไปว่าศีลข้อที่สามเลยนะขึ้นหัวข้อที่ 3. สามศีลของปุถุชนผู้เป็นกาลยาณชนเพราะความเป็นศีลที่บริสุทธิ์ยิ่งเหมือนแก้วมณีที่เจรไนดีแล้วเนี่ยศีลที่ได้รับการชำระหรือว่าศีลที่ได้ทำปริญญาอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ศีลที่ได้การไข้ครวนอย่างดีมาแล้วเนี่ยนะ และก็เป็นศีลที่เหมือนอย่างทองคําที่กระทําการระบมดีแล้วทองคําที่หลอมดีแล้วนั่นเองเว้นจากมนทินแม้เพียงแต่เกิดความคิดที่จะล่วงนับตั้งแต่อุปสมบทมานนเขาบอกว่าศีลที่บริสุทธิ์ดีเนี่ยนะแม้แต่จิตคิดจะละเมิดศีลเหล่านี้ก็ไม่มี น, นะเขาบอกว่านับตั้งแต่อุปสมบทคือบวชมาย่อมเป็นประฐานประฐานนี้แปลว่าเหตุใกล้แห่งพระอรหันต์ได้ทีเดียว รักษาศีลจนถึงก็ว่าคิดว่าเป็นบาตรให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าปาริปุนนะปาริสุทธิศีลเหมือนอย่างศีลของพระมหาสังครคิเทระและพระสังค ร, งรคิเทระผู้เป็นหลานคือหลานของพระสังขรคิทนั่นเององค์แรกชื่อว่าพระสังครคิทใช่ไหมองค์ที่สองเป็นหลานของพระสังขรคิท มีเรื่องเล่าว่าภิกษุสงฆ์เนี่ยนะถามถึงการบรรลุโลกุตระธรรมกับพระมหาสังขรคิเทเถระผู้มีพรรษาเกินห0สิบซึ่งนอนอยู่บนเตียงที่จะมรณภาพอันนะพรรษาเกินหกสินี้ก็แสดงว่าอายุเกินแปดสิบย่อนนะ 80, ย้ อ, ย, อย่อนเท่าไรไม่รู้ทีนี้มันเป็นธรรมเนียมของ นักบวชอยู่ข้อหนึ่งนะตามกล่าวตามนัยยะแห่งอภินหะปัจเวคคณะธรรมสูตรเนี่ยถ้นเมื่อใกล้จะมรณาภาพบันประชิดรูปใดรูปหนึ่งเนะเพื่อนลูกศิษย์ลูกหาเป็นต้นเนี่ยนะก็จะถามถึงคุณวิเศษว่าเออพระคุณเจ้านี่บวชมาอย่างเนี้หกสิบพรรษาแล้วนี่ได้โลกโลกุตระธรรมระดับไหน โซดาปฏิมักสกทาคามิมักอนาคามิมักหรือว่าอารหัตตมักหรือได้คุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไหมเขาก็จะถามกันเห็นไหมคล้ายๆกับว่าเปินกับนักศึกษาแบบในโรงเรียนเนี่ยนะว่าจบไหนมาอย่างเงี้นะจบชั้นไหนจบอะไรเขาจะเป็นเรื่องที่เขาถามกันใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเออท่านบวชมาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะบนรรลุอะไรแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นกิจแต่ว่า เขาจะไม่ตอบการเรียร่าเขาจะถามเวลาใกล้จะตายอย่างเดียวอ่า น, นะทันใกล้จะตายนี้เขาจะให้เล่าได้พระองค์ไม่บอกว่าไม่เป็นอาบัตินะบอกตอนนี้ได้ไม่เป็นอาบัติแต่ถ้าธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะไปเที่ยวแม้แต่มีจริงถึงบอกก็เป็นบอกแต่คนทั่วไปนี่ก็เป็นอาบัติปา จ, จิตีนะถึงมีอยู่จริงอะ่ะทันทัทธิรักก็ตอบว่าเราไม่มีโลกุตระธรรมรอกเลนะนะ ครั้งนั้นที่สูหนุ่มผู้เป็นอุปทาคของพระเถระนั้นกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพวกคนทั้งหลายประชมกันตลอดส2องโยตโดยรอบเพราะคิดว่าตัวท่านจะเป็นพระที่ปรินิพานคือชาวบ้านโดยเมื่อเขาลือว่าท่านเนี่ยเป็นท่าอรหันกันเพราะฉะนั้นเขาจะมาคล้ายๆว่าได้ข่าวว่าองค์นี้ไม่สบายจะมรณภาพแต่ว่าชาวบ้านเขาคิดว่าองค์นี้จะปรินิพานฉนั้นคนก็แห่กันมาเต็มไปหมดเนี่ยนะ อนาบริเวณเนี่ยนะเป็นร้อยๆกิโลเนี่ยเขาก็มากันเนี่ยนะหอบเสือหอบม้อนกันมาเพื่อจะมาทําบุญกับพระอรหันต์ความร้อนใจจักมีแก่มหาชนเพราะการตายอย่างปุตุชนของท่านดังนี้ลูกเศิษนีก็บอกนะโอ้โหนี่ถ้าหากว่าเขามาแล้วรู้ว่าท่านนี้เป็นปุตุชนนี่เขาคงผิดหวังมากนะเขาคงผิดหวังกลับบ้านกันแน่พระเถระก็กล่าวว่านี่แน่ท่าน เราเพราะตั้งใจไว้ว่าฉันเนี่ยจักพบพระผู้มีพระภาคเมตตยะยจะรอพบพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระศีอานนั่นแหละดังนี้รอกจึงไม่ตั้งวิปัสสนาขึ้นเนี่ยนะที่ไม่ปลารกวิปัสสนาให้บรรลุเลยเนี่ยก็จะรอนู่นอาจจะดูพระศีอานซะหน่อยว่างั้นเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นท่านจงทํำโอกาสให้เรานั่งเถิดเนี่ยนะช่วยพยุงให้ลุกนั่งหน่อยว่างั้น พิสุนุมรูปนั้นก็ช่วยพระเทระให้นั่งแล้วจึงออกไปข้างนอกพระเทระบรรลุพระอรหันต์พร้อมกับการออกไปแห่งพิสุนุมรูปนั้นนั่นเองแล้วได้ให้สัญญาด้วยการดีดนิ้วมือคือวิปัสสนาธรรมดาโดยทั่วไปเนี่ยท่านคล่องแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าไอความปรารถนามากั้นเอาไว้เนี่ยนะปรารถนาว่ายังไม่อยากบรรลุนะอันท่านเจริญวิปัสสนาโดยธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะปหาณนะปริญญาเนี่ย ที่เป็นโลกิยวิปั ส, สนาเนี่ยท่านบริบูรณ์อยู่แล้วเไเพราะฉะนั้นพอลูกเสร็จเดินยังไม่พ้นประตูเลยใช่ไหมเป็นผ้ารหารแล้วแต่ถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยวันนึกขาคถาไม่เจอเลยวิปัสนาเจริญยังไงเนอะอันนี้จังทุกขังอนัตตาออะไรกันบ้างแล้นะตะกุกตะกักอันนี้ไม่ทันแล้วเอันนี้แสดงว่าไม่ธรรมดานนะแค่เดินพ้นจะออกนอกประตูแล้วก็บรุเลย สงก็ประชุมกันกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญตัวท่านเมื่อ ย, ยังโลกุตระทำให้บังเกิดขึ้นในเวลาใกล้จะตายเห็นเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่บุคคลกระทำได้ยากดังนี้โอ้ทำยากนะเนี่ยแมมปาถนาจะบรรลุที่แรกก็ไม่ได้คิดไว้ก่อนพอคิดจะบรรลุแหมก็บรรลุเลยว่างั้นไม่ใช่ง่ายๆนะพระธีรกล่าวว่าดูก่อนท่านทั้งหลายสิ่งนี้เรากระทาได้ไม่ยากเนนะ คือตามที่ท่านมีความรู้ความสามารถทุกอย่างแล้วนะท่านบอกว่าไม่ยากแต่ว่าเราจะบอกสิ่งที่เรากระทําได้ยากแก่ท่านนะมีเรื่องที่ทายากกันนันอีกเหมือนนดูก่อนท่านทั้งหลายตัวเราตั้งแต่การที่บวชแล้วเชื่อว่ากรรมที่เราทําเพราะไม่รู้เพราะหาสติไม่ได้เราละลึกถึงไม่ได้เลยเียนะตั้งแต่บวชมาเนี่ยนะทเพราะความไม่รู้เลยเนี่ยไม่เคยมีเลย ทำอะไรไปเอ๊ะตอนนั้นไม่รู้ตัวเลยนะหรือว่าไม่รู้สิกขาบทไม่รู้หรือว่าไม่รู้แล้วทาเนี่ยจำไม่ได้เลยว่ามีอ่ะแล้วลึกไม่ออกจำไม่ได้บางันหรือว่าหลงลืมสติทำอะไรเนี่ยไม่มีเพราะว่าเจริญสติเจริญปัญญามาตลอดเลยไม่เคยหลงลืมสติสัมปชัญญะเลยบางันตั้งกระบวดมาจำไม่ได้เลยว่าเมื่อไหร่หลงลืมสติสัมปชัญญะดังนี้เห็นไ ออค์นี้นี่แสดงว่าแจ้งจริงเลยนะเขาบอกอันนี้ทำยากกว่าทีนี้เอาเมื่อกี้นี่เอาไม่รู้ว่าลุงหรือปูก็ไม่รู้นะแต่น่าจะเป็นหลวงลุงทีนี้มาดูหลานบ้างไงภาังาคารกิตเทระผู้เป็นหลานของท่านก็บรรุเป็นท่ารหารันโดยอาการอย่างนี้เองในการที่มีพรรษาห้าสิบชะนี้แหลโอ้บรรลุตอนอายุห้าสิบเอ้ยตอนอายุเจ็ดสิบ พรรษา50ก็อายุประมาณ70ทีนี้นายวิสุทธิมรรคก็ยกข้อความในคำมพีอังคุตระนิกายจตุการนิบาทกล่าวว่านี่เป็นพุทธพจน์เลยนะหากว่าบุคคลแม้เป็นผู้ได้สดับน้อยไม่ตั้งมั่นโดยชอบในศีลทั้งหลายชนทั้งหลายย่อมติเตียนเขาทั้งสองทางคือทางศีลและทางสุตตะ อันนี้บุคคลประเภทที่หนึ่งนะควรตําหนิทั้งสองอย่างเลยเรียนพธธระไตรปิฎกก็เรียนมาน้อยนะผู้ได้สดับน้อยเนี่ยหมายถึงสดับสุตตะเคยะเวยาการณาคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทะละเนี่ยนะสดับมาน้อยเรียนมาน้อยทรงจําได้น้อยอันนี้ก็น่าตําหนิเพราะเรียนมาน้อยแล้วก็ไม่ตั้งมั่นโดยชอบในศีลทั้งหลายหมายถึง ไม่ตั้งมั่นโดยชอบในจตุ ป, ปาริสุทิศีนเพราะฉะนั้นชนทั้งหลายก็ติตเตียนเขาทั้งสองทางว่าศีนก่อนไม่ดีเรียนมาก่อนไม่พอทีนี้บุคคลประเภทที่2กล่าวว่าหากว่าเขาแม้เป็นผู้ได้สดับน้อยแต่ตั้งมั่นโดยชอบเป็นอย่างดีในศีนทั้งหลายชนทั้งหลายย่อมสารเสริญเขาได้ทางศีนนไห เรียนไม่มากแต่ว่าจตุปริสุทธิ์ศีลเนี่ยดีแต่สุตตะของเขาหาชื่อว่าถึงพร้อมไหมเรียนไม่มากแต่ศีลดีเนี่ยนะรักษาได้อย่างบริสุทธิ์ผุดพองอการที่รักษาศีลดีเนี่ยนะถึงอาศัยกาลยานามิตรเป็นต้นก็รักษาศีลดีได้แต่ว่าเขาไม่สามารถจะทรงจําคําสอนได้มากเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าคนที่มีแต่สุตตะเฉยเฉยเนี่ยนะแต่ว่าศีลไม่ดีล่ะ บุคคลประเภทที่สหากว่าบุคคลแม้เป็นผู้ได้สดับมากแต่ไม่ตั้งมั่นโดยชอบในศีลทั้งหลายชนทั้งหลายย่อมติเตียนเขาได้ในทางศีลแต่สุตตะของเขาเชื่อว่าถึงพร้อมดีเรียนมากเรียนดีแต่ว่าศีลไม่เคยดีว่างั้นซึ่งตรงนี้ดีกาท่านอธิบายว่าสุตตะของบุคคลผู้เว้นจากศีลนั้นไม่เป็นเหตุนำมาซึ่งภาวะสมบัติแก่ตนและคนอื่นนีนะ เาว่าสมบัตินี้หมายถึงการเกิดในภพที่ที่ดีนะผู้ที่เรียนดีเรียนมีความรู้มากแต่ศีลไม่ดีท่านว่าอย่างนั้นท่านอธิบายว่าจริงอยู่คนที่ใคร่ต่อการศึกษาทั้งหลายทราบว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้ทุศีลดังนี้แล้วก็ย่อมไม่เข้าไปสู่สํานักของเขาเห็นว่าเขาศีลไม่ดีก็เลยไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องด้วยถึงจะมีความรู้ดีแต่ศีลไม่ดีใครก็ไม่อยากไม่อยากจะคบหาสมาคมเหมือนกัน อันบุคคลประเภทที่3ก็เรียนมากแต่ว่าจะตุปปาริสุทิสินไม่ดีอันนั้นควรตำหนิส่วนเดียวคือตำหนิตรงที่ศีลไม่ดีข้อแรกนี้ควรตำหนิทั้งสองทางเลยใช่ทั้งไม่ได้สดับหรือสดับน้อยกับศีลไม่ดีข้อ2ควรตำหนิในเรื่องว่าสดับน้อยแต่ศีลดีข้อ3ามก็ควรตาหนิในเรื่องศีลไม่ดีเนี่ยนะแต่ว่าฟังมามากเนี่ยดีแล้ว แต่ว่าควรรักษาประพฤติตัวให้ดีนะเหมือกันหากว่าเขาแม้เป็นผู้ได้สดับมากและตั้งมั่นโดยชอบเป็นอย่างดีในศีลทั้งหลายชนทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาได้ทั้งสองทางคือทางศีลและทางสุตตะนะควรยกย่องทั้งสองอย่างเลยความรู้ก็ดีความประพฤติก็ดีมือนนศีลก็ดีจะตก ป, ปริสุทธิศีลก็ดี ใครควรจะติเตียนสาวกของพระพุทธเจ้าผู้พงหูสูตรทรงธรรมะมีปัญญาเป็นประดุ์แท่งทองชมพูนุษนั้นได้ทั้งเทวดาก็สรรเสริญเธอทั้งพรหมก็สรรเสริญเธอเนะี่ยควรยกย่องเลยนะทั้งเทวดาทั้งพรหมก็สรรเสริญเพราะเป็นผู้มีความรู้ดีแล้วก็มีปัญญาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามคาสอนนะถ้าใช้คาว่าสาวกแล้วเป็นใคร อริยะสาวกนั่นแหละทัานท่าอริยะสาวกนั้นเทวดาก็ชมพรมก็สารเสริญอันนี้จบศีนประเภทที่3ที่เรียกว่าปริปุณนะปาริสุที่สีนเห็นไหมสีนข้อแรกเนี่ยนะสีนข้อแรกเขาว่าไงสะปริยันตะปาริสุที่สีนใช่มั้ยข้อ2ข้อ2อปริยันตะปาริสุที่สีน ข้อสปริปุณะาริสุที่ศีลทีนี้ขึ้นข้อสี่เลยนะข้อสส่วนศีลของพระเสขาทั้งหลายเพราะความที่ไม่ถูกถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐินะพระพระริยเจ้าประเภทโสดาบันขึ้นไปเนี่ยนะจะไม่มีทิฏฐิที่ไปถือมั่นในศีล อบอกนี้หนึ่งนะว่าในสำนวนคมภีเนี่ยนะคนไทยใช้คําว่าทิฐิก็มีไม่ใช้คําว่าทิฐิเนี่ยนะบางคำก็ใช้ทิฐิบางคำก็ใช้ทิฐิเนี่ยนะมันถูกทั้งสองอย่างนะเพราะฉะนั้นพระเสขาทั้งหลายศีลของท่านเนี่ยนะจะไม่ถูกทิฐิครอบงามเลยเพราะท่านไม่มีทิฐิแล้วหรือว่าศีลของปุตุชนทั้งหลายที่ไม่ถูกถือมั่นด้วยอานาจของราคะรักษาศีลศีลอันนั้น ราคะไม่ไม่ได้ช่องวังนั้นเถิดรักษาศีลดีโลภะไม่ได้โอกาสเพิ่งทราบชื่อว่าอะปรามัตถปาริสุทธิศีลแม้ของปุถุชนที่กิเลสตัณหาไม่เข้าไปกลุ่มรมเนี่ยนะก็ชื่อว่าอะปรามัตถปาริสุทธิศีลเหมือนกันก็คือศีลที่ตัณหาและทิฐิไม่เข้าไปจับต้องไม่เข้าไปถือมั่นเหมือนอย่างศีลของพระติสัทระผู้เป็นบุตรของกุฎุมพีฉะนั้น ยนะความพิสดารมีว่าท่านผู้มีอายุนั้นเป็นผู้ใคร่ที่จะอาศายัยศีลที่เป็นเช่นนั้นคืออาศายัยศีลที่ไม่ถูกราคาหรือเป็นศีลที่ไม่ถูกตัญหาเนี่ยนะจับต้องดํารงอยู่ในผ้าหาันจึงได้กล่าวกับผู้มีเวรกันว่าเราทําลายเท้าทั้งสองเสียแล้วให้สัญญาแก่ท่านเรารังเกียจ ละอายการตาอย่างผู้มีราคะเราคิดอย่างนี้แล้วจึงพิจารณาโดยแยบคายแล้วได้บรรลุพระรหัสเมื่ออรุณขึ้นพอดีอันนี้เรื่องนี้กล่าวถึงยกข้อความมาจากอัตกถาสติประธานสูตรหรือมหาสติประธานสูตรกล่าวถึงกุฎุมพีคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นคนมีฐานะมากมีลูกชายอยู่สองคนนี้ลูกชายสองคนนี่นะลูกชายคนโตนี่ก็ ออกบวชคนรองก็มีครอบครัวทีนี้พอท่านออกบวชแล้วเนี่ยนะน้องสะพายอ่ะน้องสะพายนี้กลัวพี่กลัวพี่สามีเนี่ยจะศึกนไกลัวพี่สามีจะศึกก็จ้างให้คนเนี่ยไปฆ่าพระเห็นไหมจ้างให้ไปฆ่าพระเทระรูปนี้ทีนี้ไปถึงเนี่ยก็ถามมานะมาทําไมก็บอกมาฆ่าท่านนั่นแหละเหมือนกันทีนี้พอบอกว่า มาฆ่าท่านก็เลยบอกว่าขอเวลาหน่อยว่า ง, งาั้นขอให้สักคืนหนึ่งได้ไหมก็บอกไม่ได้ก็บอกจะเอาอะไรมาเป็นประกันอ่ะถ้าท่านแอบหนีตอนกลางคืนจะทํำยังไงอ่ะอดรางวันในการฆ่าไปนก็เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านก็เลยเอาหินเนี่ยมาทุบเท้าทั้งสองข้างให้มันหักอยู่ตรงนี้ก็บอกว่าอ่านะประกันแค่นี้พอไหมอ่านะขาหักทั้งสองอ่ะไม่หนีแน่นี่ เ, เออพอได้ โจรก็ไปนอนผิงไฟนอนดูสิท่านท่านก็เจริญวิปัสสนาทั้งคืนพอก่อนจะสว่างก็บรุเป็นผ้าหันพอดีเลยสว่างเมื่ออรุณขึ้นเป็นผ้าหาันแล้วเรื่องก็จบนะไม่รู้ว่าโจรฆ่าหรือเปล่าแต่ฆ่าตอนนั้นก็อนันตรกยกรรมนะชวดนะีบาปหนักหนาสาหัสนั่นะเพราะว่าพระรูปนี้ท่านบอกว่าท่านท่านระอิระอาที่จะตายแบบคนมีราคเนี่ยนะ ส่วนพระมหาเถระอีกแม้อีกรูปหนึ่งเป็นคนไข้หนักกระทั่งไม่อาจบริโภคแม้อาหารด้วยมือของตนเองได้นอนจมกลิ้งเกลือกอยู่บนอุจจาระปัสสาวะของตนเแสดงว่าป่วยป่วยครั้งนี้เนี่ยป่วยมากจนถึงขนาดว่ายกมือทานอาหารไม่ได้เลยนะแต่สมัยนี้ก็อ ย, อยังเช่อนะมีโรงพยาบาล น, นะมีผู้ดูแล แต่สมัยนั้นนี่ก็การดูแลการรักษาก็ตามเวรนตามกรรม嘛นะภิสุนมรูปหนึ่งพบเห็นพระเถระรูปนั้นเข้าจึงกล่าวว่าโอ้ชีวิตทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกข์เห็นแล้วน่าสลดสังเวชเหลือเกินนะชีวิตเนี่ยไม่มีความสุขอะไรเลยวัา ง, งันพระมหาเถระกล่าวกับภิกษุรูปนั้นว่านี่เนะี่ยท่านเมื่อเราตายไปในบัดนี้จะได้สวรรค์สมบัติ เราไม่มีความสงสัยในเรื่องนี้นะถ้าตายตอนนี้นะไปสวรรค์ไม่ได้สงสัยเลยกาแสดงว่ามีความมั่นใจในเรื่องศีลค่อนข้างมากเลยนะมั่นใจว่าถ้าตายตอนนี้สวรรค์แน่นอนแต่ขึ้นชื่อว่าสมบัติที่ได้เพราะทำลายศีลนี้เป็นเหมือนกับได้ความเป็นเครือขัสกลับมาเพราะบอกคืนสิขาเอาถ้าตายไปเป็นเทวดาแล้วก็ไม่ใช่พระแลว้วเป็นคราวัตไปแล้ว ท่นก็ไม่อยากจะตายแบบแบบนั้นอ่ะไม่อยากจะลาศีนังนั้นแต่อยากให้มีศีนอยู่เท้าวอลเลยอ่ะแล้วก็ยังกล่าวอีกว่าเราจะตายไปพร้อมกับศีนนั่นแหละดังนี้ซึ่งดีกาที่บายว่าเราเมื่อไม่ได้ทําศีนให้พิ่หน้าไปก็จะขอตายไปพร้อมกับศีนนี้นั่นแหละต่อไปนี้เราจักไม่ต้องสละศีนนั้น แม้ในการไหนไนอีกด้วยว่าความพลัดพลากจากศีลจะพึงมีได้ในเมื่อยังมีการถือเอาพบเราจะไม่ถือเอาพบอีกเนี่ยนะโอ้ถ้าเสียศีลนี่ก็เออถ้าถ้าตายแล้วเกิดในภพใหม่อีกก็หมดศีลแล้วใช่ไหมแต่เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นอย่างใดอ ย, ย่างหนึ่งก็ไม่เหลือศีลแล้วเนี่ยนะคือเพราะศีลเนี่ยคือเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมามศีลไม่เหลือเลยใช่ไหม พอไปถือพบใดพบหนึ่งแล้วก็ไปเรื่อยแล้วก็นียาวละดังนี้ก็นอนอยู่นั่งนะอย่างนั้นนั่นเองพิจารณาโรคนั่นนั่นแหละแล้วก็บรรุเป็นธารหันนะพิจารณาโรคบรรุเป็นธารหันอธิบายว่ากาหนดเวทนาอันเกิดจากโรคเนี่ยนะก็เพราะว่าความป่วยนั้นก็มีทุกขกายวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นใช่ไหมในทุกขกายวิญญาณนั้นก็มีทุกขเวทนาเกิดร่วมด้วยแล้วก็ พิจารณาเวทนาซึ่งปรากฏชัดแล้วก็พิจารณานามธรรมที่มีเวทนานั่นแหละเป็นประทานแล้วก็พิจารณารูปประธรรมทั้งหลายพิจารณาทั้งนามธรรมและรูปประธรรมนามนี้ได้นามขันเท่าไหร่นามขันสี่ใช่ไหมนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณรูปนั้นก็คือภูตรูปและรูปที่อาศัยภูตรูป มันก็มีการพิจารณาขันท่าใคร่ครวนเป็นอย่างดีเห็นแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดก็บรรลุเป็นพระอรหันเลยเนี่ยนะเพราะว่าการเจริญวิปัสสนานั้นอย่างไรเสียก็ต้องเจริญตามลำดับของวิสุทธิทั้งเจดนั่นแหละหรือว่าตามลำดับของปริญญาสามแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหรันพอบรรลุเป็นพระอรหรันก็พยากรณ์แก่พิสุส่์ด้วยคาถาเหล่านี้ว่า เมื่อเราถูกพยาธิอย่างใดอย่างหนึ่งสัมผัสแล้วเป็นทุกข์หนักย่อยยับไปพเพราะโรคเนี่ยนะโรคเนี่ยโหทำลายเบียดเบียนสรีระให้เจ็บหนักกะเลวระนี้ก็เหี่ยวแห้งไปโดยเร็วเหมือนกับดอกไม้ที่เขาทิ้งไว้บนกองขี้ฝุ่นกลางแดดเะนั้นดอกไม้สดๆงามๆเนี่ยนะถ้าหากว่าฝุ่นที่มันร้อนระอุเลยเนยะเอาดอกไม้ไปวางลงไปเนี่ยนะ เป็นไงเหี่ยวแห้งเลยเนาะกะเลวระนี้ก็เป็นของที่ไม่น่าพอใจกะเลวระก็คือร่างกายนี่เองเนี่ยเป็นของที่ไม่น่าพอใจคือเป็นของที่น่ารังเกียจที่คนพาลกลับนับว่าน่าพอใจภาละนี่นะคนพาลนี่แปลว่าคนเขาคนเขานี่กลับสำคัญกะเลวระคือร่างกายอันนี้ว่าน่าพอใจร่างกายนี้ไม่สะอาดใช่ไม แต่กลับเห็นว่าสะอาดเต็มไปด้วยซากศพต่างๆแต่เป็นรูปที่น่าพอใจสำหรับผู้ไม่เห็นอยู่ตามความเป็นจริงผู้ที่ไม่ได้เจริญกายคตาสติไม่ได้เจริญอสุภะคือไม่รู้ความจริงของกายนี้ก็เห็นว่าเป็นของที่น่าพอใจขอผ่มถุยกายเน่าที่อาดูลมีกลิ่นเม็นไม่สะอาด มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอันเป็นที่หมู่ประชาประมาทแล้วสยบนักกห่าอนัันคือเพราะว่าเหตุแห่งราคะก็สยบอยู่ในกายเนี่ยในเกเลวระนี้ทำทางเพื่อเข้าถึงสุขติให้เสื่อมหายไปพอหมกมุ่นอยู่ในกายนั้นก็ทิ้งกุศล น, นะใช่ไหมอธิบายว่าแม้แต่ศีลอันเป็นทางเพื่อเข้าถึงสุขติก็ทำให้เสียหายไป จ ะ, จะป่วยกล่าวปหายถึงคุณวิเศษเบื้องสูงมีชาญเป็นต้นเล่าอันผู้ที่สยบหมกมุ่นอยู่ในในกายที่อดูลมีกลก่นเม้นที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเนี่ยนะก็ไม่ใช่หมกมุ่นด้วยจิตที่เป็นกุศลเพราะว่าศีลนี่เป็นกุศลเมื่อรักษาศีลไม่ได้ทางแห่งสุคติเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างไรใช่ จบแล้วนะคำว่าอปรามัตถะปาริสุทีนอะปรามัตถะปาริสุทธสีนนั้นเป็นศีลที่ไม่ถูกทิฏฐิถือมั่นเนีย่ยนะหรือว่าไม่ถูกราคาเข้าไปถือมัน่นแต่ว่าในตัวอย่างที่ท่านยกพระเถระมาให้ดูนั้นกล่าวถึงพระเถระที่ไม่รักที่รักท่านรักษาศีลโดยที่ไม่มีราคาไปถือมั่นในศีลเหล่านั้น ก็เจริญศีลเหล่านั้นจนได้บรรลุเป็นพระาอารหันต์